Fifty languages. 26 e n t y s i x Seventy. Nature. Prakrti vech. Kun heen ho coy tong nant me ka? Kytusi us minar nu v e c deho? Kun heen phu khao t n g n a n ka? คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะ कि तुसी उ स, स ุสซารอ व ेอร์นูเวกเดโฮดิฉันชอบนกตัวนั้นเมนูโอพันชีชังกาลักดาเหรอดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้นเมนูโอดาร์ขัดชังกาลักดาเหรอดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้เมนูอพัทธ์ธรชังกา ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นเมนูโอบากชังกาลกดาเฮดิฉันชอบสวนนั้นเมนูโอบะกิชะชังกาลกดาเฮดิฉันชอบดอกไม้นี้เมนูโอโฟล์ังกาลกดาเฮดิฉันว่านั่นมันสวยเมนูโอชังกาลกดาเฮ ดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจเมนูโอ้ดิลเชสป์ลักดาเฮดิฉันว่านั่นมันงดงามเมนูโอ้โซนาลักดาเฮดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียดเมนูโอ้คารูปลักดาเฮดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อเมนูโอนีรัสลักดาเฮ ดิฉันว่านั่นมันแย่เมนูโอ้ขคราบลักดาเห